จังเป็นิ๊กการุษโยกาดรู้ทัศวันเดียวอ่าความธรรมในเรื่องนี้เท่านั้นแหละพรับกท่านชีวิต ท, ทั้งหมดเพื่อปฏิบัติออกจากทุกขแต่ยังมีทุกขอยู่ไม่คุ้มขา ชีวิตของเราที่เกิดมามาที่ของเราโดยตรงที่เกิดมาเนี่ยดูดีอ่านอะไรมาเยอะแยะเพื่อความไม่มีทุกข์แต่มีทุกข์อยู่ก็ใช่ไม่ได้แล้ววิธีที่ปฏิบัติออกจากทุกข์ดำเนินชีวิตออกจากทุกข์ พระพุเจ้าของเราก็ที่ทางเอาไว้แล้วบอกทางเอาไว้แล้ววันนี้พระพุทธเจ้าด้เทศนากัน เ, เรื่องทางดำเนินชีวิตของเราไปจะเข้าโลกเข้าคง เราก็มีปัญหา <c oughs> แล้วก็เราก็เดินได้ไปได้ทุกชีวิตไม่ยกเว้นใคร <c oughs> เห็นเรามีสติเราก็มีสิทธิที่จะรู้สึกได้เ ร, รร เ, รรเราก็มีกายเราก็มีจิตใจของเรากายของเรานี่ก็เหมาะ แกที่จะมีสติมากกว่าหมอที่จะเป็นอย่างอื่นแต่เป็นอย่างอื่นมันไม่เป็นธรรมมันไม่ถูกต้องแต่มนสติที่มันถูกต้องระดวกกว่าอย่างอื่นแต่วางชีวิตเนี่ยทางเอาไปรักใช้อย่างอื่นอยู่ างทั้งที่พิดก็ยังทำอยู่เป็นความหลงอยู่เนี่ยเอากายไปรับใช้ความหลงเอาจิตเอาใจไปรับใช้ความหลงความหลงก็ส่งเราไปไกลเป็นทุกข์ โรดโลกหลงไปโนดเป็นทางตันถ้าเรามีสติมีกายที่มีความรู้สึกตัวคอยจัดสันคอยรู้สึกเนี่ยลองสัมผัสดูเอากายไปสัมผัสกับความรู้สึกตัวเอากายเอาใจไปสัมผัสกับความหลง ลองจัดการเรื่องนี้ลองดูแร้ว่าชิมลองดูอย่างน้อยสักหนึ่งวันถึงเวันยิ่งเปยก็นั้นก็ยิ่งดีจะได้ชิมรสของความรู้สึกสกความหลงแต่ถ้าชิมความหลงอย่างเดียวไม่มีไม่ชิมความรู้สึกจะไม่รู้นะ แต่ถ้าจิ้มความรู้สึกก่อนมันจะเห็นความหลงชัดเจนว่ามันเป็นอย่างไรความหลงมันเหมาะเจอเราหรือไม่มันเหมาะเจอกายสใจหรือไม่จะกดหัวลุกแล้วนอกจากนันเราก็เติมเติมพยายามเติมความรู้สึกเติมความรู้สึกตัว กับการใช้ชีวิตของเราการหัดเติมความรู้สึกตัวนี่แหละเป็นสวหลักของภาวนาอาวนาสือทำควมดีขยันทำควอมดีใส่ใจทำความดีเราคือการเติมความรู้สึกตัวไปตามรูปแบบของกรรมฐาน เทพบริจาคของเราได้ตัดเอาไว้เรื่องธรรมทานนี่เขสุดยอดสุดยอดของการขับเคลื่อนชีวิตของเราการกระทําที่มีที่ตั้งแล้ก็มีความมั่นใจอย่างยิ่งสมรมทานนี่เขเป็นกรรมที่ตัดเวรตัดภัยตัดวัฏจั ทำ ต, ตัวเน่ยสิ้นสิ้นเวนสิ้นไทยใทยจะเป็นยังไงมาก็ตามวันนี้เป็นวันของเร า, าเราทํากรรมฐานนะถ้าเราไม่ทํากรรมฐานก็ไม่ใช่วันของเราแล้วอาจจะเป็นวันของยักษ์ของเศษของยามาลของอะไรไใโนู้ดแต่เราทํากรรมฐานเป็นวันของเรา เราก็มั่นใจเราจะรู้อย่างนี้มันจะมาอะไรมันจะเกิดขึ้นเราก็จะเห็นมันเราก็จะดูมันแล้วเราก็จะมีความรู้สึกคือกรร ม, มาฐานเป็นวิชาสุดยอดของวิชาการทั้งหลายของชีวิตเป็นวิชาการของชีวิตเป็นวิชาที่เราจะต้องเรียนให้จบถ้าเรียนวิชานี้ไม่จบ มันก็จะต้องมีพละสับงการสั่ใจตลอดเวลาในปีนี้ผมก็สื้นใจดีใจที่มีพระประสงค์โดยพ่ออาจารย์สติสโลนะหรือว่าเป็นหัวหน้าไม่เคยมีอะไรผมเลยหรือว่าเป็นนักบากคนนึง <logos> ในหลักของศาสนาผมก็ก็ก็รบพระนะเขารบท่าน ไปเห็นทีมของท่านมาหลายครั้งแล้วถ้าเสียบเหมือนหลวงพ่อเนี่ยก็พอที่จะเป็นมิตนาใ้กับทุกท่านก็คือเรื่องกรรมฐ า, านเนี่ยแล้วก็ขอโชว์ด้วยนะชังสันติกรขอโชว์วิชาสรรมฐ า, านดัวหน่อัพสานี่นะเอามาพีสูจ ด, ด์ตัวเอาให้เต็มที่เลย รับรองว่าจะไม่พลาลงพิษหลงทางแต่ว่าเขาก็มีอยู่นะสายานปุปรัสนาเนี่ยมีเจ็สีดูกายจะดูกายอย่างเดียวมันจะอะไรมันจะเกิดขึ้นมาให้ดูเยอะแยะเร่องของกายก็มีมากเรื่องของจิตก็มีมากสนุกดูดักดูตรงเดียวจุดเดียวมันจะผ่านมานี่ทั้งหมดตลอด หลังเราเลี้ยงเต็ดเลี้ยงไก่ขังไว้ในคอกเป็นหมืนมน่นหมื่นแสนแสนเราจะดูมันก็ดักดูแต่แเราต้องปลอยมันจะออกมาตรงประตูนั้นมันก็ดูจดนั่นแ่ะตัวไหนผ่านมาก็ดูดูดูดลักษณะที่ดูเนี่ยสุดยอดเลยละ่ะท่า น, นเชิงเหนือกว่าอย่างอื่น แล้วจะขออยไปตามมันมันออกมาก็ตามมันไปนะไม่ได้ดูนะมั่วไปหมดเลยนะไก่ปอปอใช่ไก่น้าไก่ปอขาป้วนจะพอกเลยนั่นเดี๋ยวไปแล้วมันฝุ่นลงไปกไปแล้วดูรักษณาของสติคือดูนี่แหละถ้าสติไม่ทำจุดนี้นะไม่ใช่สติปัะทาเป็นสติ เอกสติธรรมดาสติทั่วไปโจนผู้ไร้มันก็มีสตินะเวลาต้องคชั่วทำความชั่วสำเร็จได้อันนั้นมันเป็นสติธรรมดาแต่สติปัญญาเนีน่ยดูดูกายมันจะผ่านมาให้ดูแล้วก็สร้างกับภารระวะที่ดูอยู่เรื่อย พยายามสร้างเาวะที่ดูคือที่นี่เราก็สร้างเป็นจังหวะตายเสื่อนไว้ยกมือโลโลูบเขาวะที่ดูมันก็เราลืนตาอยู่เรื่อยถ้าเรา ก็ไม่เห็นอะีรมีเป็นๆก็ไปเราต้องเริ่มต้นให้ดีธรรมทานเนี่ยเป็นวิชาติสุดยอดเป็นวิชาติ่เปิดเผยคงใสทะลุทะลวงเห็นกายเห็นใจเห็นเป็นโลกเห็นเป็นนามเห็นโลกธรรมเห็นนามธรรมเห็นโลกมันทุกข์เห็นนามมันทุกข์ เห็นความหลงเป็นความผิดอะไรต่างๆมันจะท่องเที่ยวอยู่ตรงนี้แหละตรวจสอบอยู่แถวนี้แหละเพราะว่าที่ดูมันเป็นเภาวะที่ตรวจสอบเดี๋ยวแยกอยู่ตรงนี้ทั้งหมดพอดูชํานีชานาญกลเป็นศิลเป็นสมาธิเป็นปัญญาไปหน่อยเห็นมากเป็นผลไปหน่อยภาว่าที่ดูนะ แล้วก็ใครก็ช่วยเราไม่ได้ล่ะแต่ต้องเรานี่แหละจะต้องช่วยตัวเราเองนี่สตินี่ส่วรูจตัวสร้างยันสร้างไว้ก่อนจยาเพิ่งไปเอาเหตีตุเอาผ ล, เอา ผ, ลเอาผิดเอาถูกถ้าไปเอาผิดเอาถูกประเมินไม่ได้การปฏิบัติทำการศึกษาในลัของสติปัฏฐานไม่ใช่ประเมิน ให้เหมือนวิชาการทางโลกวิชาซ้ำซื่อซื่อซ้าดูธรรมดาธรรมดาดูซืชอื่อเป็นลูกที่มือซื่อแลู่ซื่ซื่อซื่อลู่แล้วเมื่อก็เิ่ขึ้นตั ว, วลู่ก็ลู่จริงๆเท่านี้แหละไม่ต้องไปถามว่าทําไมจึงสอนอย่างนี้ทำไมจึงสอนอย่างนี้อาจารย์นั้นสอนอย่างนั้นอาจารย์นี่สอนอย่างนี้ อย่าเปรียบเทียบอย่าเอาเหตุเอาผลเอาการกระทำฟังดูดีๆกรรมคือการกระทำในการกระทำที่สั้งแห่งการกระทำอันเหตุอันผลเนี่ยยังใช้ไม่ได้อจะต้องเอามาใช้ก่อนให้ตัวรู้สึกบุกเบิกไปก่อนให้ความรู้สึกตัวนี่บุกเบิกไปก่อนให้มัน ตัวรูปสึกตัวเนี่ยจะลิขิตไปเองจะเป็นยังไงตัวเนี่ยโซกกรรมอะไรมันจะลิขิตไปเองกรรมตัวเนี้มันจะจําแนกไปเองจะเพิ่งไปตรวจสอบอะไรกับการกระทาของเราเราจึงทําอาธิของเรากระทาไปเรื่อยๆลูกไปเรื่อยๆย้นลูกไปเรื่อยๆ ไปฟังเสียงใครมันก็ว่าเราอยู่คนเดียวไม่ฉากหนึ่งอีกฉากหนึ่งเราอยู่คนเดียวก็เหมือนก็อยู่กับโมกับมิกอยากไปคลองไปติดกับอะไรภาพว่าอันใดที่มันอยู่ในนี่ที่นี่เอาเราคนเดียวเนี่ยพยายามลุกไปลุกจะไปนี่การทำจุดนี้นะ่ะ เราแสดงว่าปกป้องสำหรับอยู่ที่นี่ก็ต่างกันเราก็รู้มามากแล้วลองดูสักข้ังหนึ่งในชีวิตของเราถ้าถ้ารู้วาแล้วรู้อะไรแล้วดับทุกข์ได้มีสติมีปัญญาเต็มที่ก็เป็นสิ่งที่เช้นชินลปะ การเดินจงกรมการสร้างจังหวะการมีสติเนี่ยมันไม่เบื่อสินะเวลาใดที่เราได้นั่งยกมือสร้างจัวะนี่ยโอ้มันสุดยอดสุดยอดของชีวิตเราเงียบสงบเป็นมรดกขอออพอใจสุดยอดของความปรารถนาควางรู้ส่วนใครจะมีอะไรกระทำจะมีความรู้ส่วน เ, เท่านั้นแหละ เป็นชัยภูมิที่ดีสำหรับชีวิตเราพวกเราที่อยู่ที่นี่คือคนชัยภูมิเป็นภูมิประเทศแต่ชัยภูมิของชีวิตคือความรู้สึกตัวนะทุกคนก็อยู่ตรงนี้ให้ได้อาจจะเป็นนักโลกก็ชั้นเชิงดีอาจจะเป็นนักชกก็ชั้นเชิงดีกว่าเพราะเขามี ท่านเชิงแลว่าไชยภูมิที่ดีชีวิตของเราก็เช่นกัน้าจะลบกับกินเลขก่อจุดนี้และเป็นใชยภูมิที่ดีไม่มีแพร่เลยถ้ามีต้องรู้จักตัวนะแต่ถ้าหลงเมื่ อ, อไหร่ก็คลายแพร่เมื่อนั้นนะเราก็จงเพียรพยายามตั้งให้มัน ทาใหม่ๆก็มันจะไม่มีแต่ความรู้นะสมหลงจะมาเจ โ, โอกาสยื่นเพราะว่ามันดักหน้าเราอย่าวันไวเช่นกายานุปสฏฐามิสติดู้กายเอาไปเอามาสิ่งที่ดักหน้ามาเวทนาบ้างีนกิจที่มันคิดบ้างในธรําที่เกิดขึ้นกับใจเป็นขูศลนเป็นอภุศนบ้าง ก็ดูเอาดูเอามันมาบอกเราสิ่งที่มันผ่านเกิดขึ้นมันบอกเราไม่ใช่ความผิดอยาไปเป็นเึื่อฟิดพู้ถูกเห็นเวทนาก็อย่าดูโอ้นี่คือเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายสัตใจมันอยู่ที่นั่นเนี่ยมันอยู่กับกายกับใจเนี่ยหมูเนี่ยตัวเวทนาเนี่ยก็เห็นมันซะอยากเข้าไปเป็นกับมัน มันเกิดส้นทีลรก็ทับท่วงมันอู่แล้วละนี่คือเวทนาไม่เต็นอื่นไปไม่ใช่กูโอ้โอคปวดโขมวยไม่ไหวแย่จะไปถึงนั้นอย่าไปตรงนั้นเห็นแล้วยิ่มน้อยนะ้อยกยะห็นแบบสดชื่นเห็นเวทนาแต่บางคนมันจะหลงตรงนี้ก็งนี้ไม่ไหวหลงพ่อหนูไว้ไหวแล้ววันนี้แย่เลย อไม่ใช่ไม่ใช่นักกรรมฐานต้องตอบไปถ้าตอบอย่างนี้ไม่ไม่ใช่นักกรรมฐานหนูเห็นมันมันคิดหนูเห็นมันเครียดเอออย่างนี้ถึงใช่ได้นักกรรมฐานก็จะต้องพูดถึงการตรวตอบทักร่วมตรวจสอบก็ต้องให้ชัดเจนถ้าไม่ไปวิชาตรวจสอบตัวเอง ทั้ง ก, ก็จชนทนั้ก็พวกเราที่เป็นนักตรวจสอบผู้อาช์ข้ารยการที่ตรวจการต่างๆต้องมีชั้นเชิงจุดป่อนมีอยะ่ตรงไหนโูกชีวิตเราก็เช่นกันเราจ้างตัวรู้สึกตัวหลงมันจะตอดแทกมา มันจะทำให้รู้อย่างเดียวมันก็ไม่มีแล้วก็ต้องผ่านสมหลงหลงที่ไดรู้ได้ปฏิบัติถ้าหลงเราเปลี่ยนเป็นโซลูไม่ได้ไม่ใช่นักปฏิบัติจะนั่งอยู่แต่ชั่วโมงก็ยังไม่ใช่เป็นนักปฏิบัติเวลาใดมันหลงเปลี่ยนเป็นโซลูรู้ปฏิบัติแล้วกลับแล้วปฏิเสธกลับแล้ว ต่อสอบตัวสอบแล้วกลับมาได้แล้วสลับได้ทุกทีช่วงนี้จะทำให้เราชำนาญแม้วก็เราขับรถส่วนไหนที่เข้ากรุงเทพทางเอกทางโทไปแดงไปเขียวเลนซ้ายเลนขวาผนต้ไม้ใช่ระดัใดที่มีอะไรผ่านหน้าเรามีวิชาที่จะขับรถของเราให้ปลอดภัย ถ้าขับรถทางเลี่ยวมันก็ไม่ไม่มีจิลปกอาจจะประมาทแต่ถ้าขับรถอยู่ในชุมชนะไเซตกรุงเทพเนี่ยเอาไปได้กานกรุงเทพมาแล้วก็แสดงว่าวเก่งแล้วรู้จับสิตรู้จับถูกสำหับซับซ้อนอ่า ทางเดียวอย่างเดียวมันก็ยังไม่เข็งชีวิตของเราก็เข้มกันประสบสุขบ้างประสบทุกข์บ้างผิดพลาดบ้างหลงบ้างติดบ้างเลียนได้เป็นถูกเป็นถูกเป็นลูกเป็นลูกเป็นลูกนี่ตัวนี้แหละสําคัญทําสุดนี่มันเด่นเด็ดเรียนเป็นตัวลกูกปฏิเสธ ราเรกว่าภาวนาเปลี่ยนร่างกายเป็นดีเปลี่นสืบกายเป็นถูกอะไรก็ตามเปลียนเนีเป็นดีเป็นลูกเป็นลูกเป็นลูกส่วนลูกเป็น ส, สุดยอดของความถูกต้องแต่ากาเปลี่ยนในความชอบใจพอใ จ, อใจดีใจโชคใจไม่ใช่เอาตัวลูกเปลี่นเป็นตัวลูกสึกเูยสึกอาจจะเป็นภาษาประเดีลู่แล้วลู่แล้ว ราวัเรีวอันยาสีอันยาสีอันยาสีรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้มาแล้วตั้งสามสิบกว่าปีแล้วแต่เป็นไรก็าตามที่เกิดซึ่งกับกายกับใจเนี่ยรู้แล้วสามสิบกว่าปีมาแล้วไม่จนมนะันอ่ะไม่จนทาไมกับอะไรตรงนั้นเลยธนาก็ว่างไว้ตรงนั้นความร้อนความหนาวความปดความมยความ อะไรก็ตำ ม, มันมีที่วางอยู่ถ้าวางไม่มีที่วางก็นั่นละความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนวางตร ง, งนั้นตันเป็นขยะเป็นถั้งขยะต่อไปไม่ด้เห็นนะจุดนี้เป็นจุดที่มันมีมันมีวิธาการไปเรยด้วยซ้ำ มันทีก็มีสิบ ม, มีสมาธิมีปัญญาสิบ ม, มาช่วยสมาธิมาช่วยปัญญามาช่วยถนะ้าเราศึกษาดีๆมันมีส่วนประกอบมันมีเทคนิคสนุกซีการศึกษาชีวิตทะลุทะ่วง เห็นโูกทุกเป็นนามทุกเห็นโูกโลกเห็นนามโลกเห็นโูกสมมุติเห็นนามสมมุติเห็นบัญญัติเห็นวัตถุเห็นอาการมารมัดวัตถุที่เป็นสมมุติถึงตาเห็นโูกมีอาการหูได้ยินเสียงมีอาการกายก็มีอาการใจก็มีอาการเอาจริงๆก็เอาเลยสรุปเลยคืออาการจริงต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายต่อใจเนี่ย เรียกบนว่าอาการก็ได้ไม่ต้องเรียกเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ได้เป็นล่อนเป็นหนาวเป็นความโกรธความโลภ ค, ความร้องก็ได้ <c oughs> เรียก็นว่าอาการง่าย ด, ดีอาการของกายอาการของจิตใจเท่านั้นแหละมันก็ไม่จนแล้วจะเรียกว่าอาการมันเป็นอาการอันสมมติปัญญักษณ โดสมมติเนี่ถ้าเราไม่โู้ทันมันก็จะบัญญัติขึ้นมาว่ชอบว่าไม่ชอบแต่มันมีประมาทคุมอยู่สิ่งที่เราสมมติว่าดีว่าไม่ดีน่ะประมาทมันก็อยู่มันก็รูก็คุมอยู่มันก็ไม่ได้ไม่ดีมันก็ไม่มันก็ไม่เป็นสิ่งที่ดีในวัตถุก็ดีอารมณ์ก็ดี สมมตินี่มีในรูปของวัตถุสมมุตินี่มีในรูปของนามธรรมมันก็ไม่ได้ดีมันก็ไม่ได้ไม่ดีอนันไดอันไหนที่ว่าสมมติก็จริงแบบสมมุติไม่ได้จริงแบบลรัตะถ้าเราไนรูปก็บรรยากาศการบัญญัติ น, นี่ไม่เที่ยงของอย่างเดียวว่าชอบของอย่างเดียวว่าไม่ชอบของอย่างเดียวว่า แล้ควรทำเนี้ยแต่ถ้าเปามาตัตรรมันไีไนยมเรื่องการนั้นมันเป็นกิจกวามจริงเป็นเรื่องของกายของใจเราเนี่ยอันทีเราไปเอาจริงกับไปเอาสุขทุกข์ ก, กับกายสักใจแล้วแต่เขาจะเกิดอะไรขึ้นมานแล้วก็่อยที่จะช่วยโอกาสไปเอาไม่รูปความจริงของชีวิตเรา ต่ชีวิตเราก็ไม่ได้อาสิบหกสิบเจ็ดสิบปีแล้วไม่จัดเกณฑในชีวิตของตนไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรเห็นเรามีจิตใจเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรบางจิตใจของเราตัวเองก็ฟึ่งไม่ได้ผลร้ายผมดีนยอันตราย ต้องเรียนให้จบต้องอยู่ตรงนี้และวรูมันหมดแล้วกายกับใจเนี่ยแรงจะเกิดขึ้นมารู้แล้วล่ะเกี่ยวข้องกับมันอย่างถูกต้องสิ่งไหนมันไม่เที่ยงก็มอบให้ความไม่เที่ยงตายสิ่งไหนมันเป็นทุกข์ก็มอบให้สิ่งที่มันเป็นทุกข์ตายส่งไหนไม่ใช่ตัวตนก็มอบให้ความไม่ใช่ตัวตนไป ยตัวอย่างเช่นความโกรธความโกรธมันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่กูเป็นลาวกาจะเกิดขึ้นกับติดติดไม่ได้โกรธที่หน้ามันเลยอันนี้มันก็ไม่เที่ยงอันนี้มันเป็นทุกข์อันนี้มันไม่ใช่ตัวตนพอรู้อย่างนี้มันก็หายวับไปเลย แต่คนเต็มปดะตูเขาไปยืดเอากู็นตัวร้อยเปอรเซ็นแต่ความกูกเป็นกูร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เรียกว่าบุตตุชนความรับที่เป็นเงื่อนไขร้อยเปอร์เซ็นตเป็นปุตตุชนแต่เท่าความรับที่ได้ในเงื่อนไขนเป็นความรักเป็นอรมติ ไม่มีวันที่จะโกรธจะเคืองกันได้เป็นพระพุทธเจ้าของเราเป็นมรรคที่ไม่มีเงื่อนไขพระพุทธเจ้าไม่มีเงื่อนไขใดๆแต่สามีภรร ย, ยารักกันีในเงื่อนไขถ้าไม่ได้ดังเงื่อนไขแล้วก็กลายเป็นคู่อริศัตรูกันพระพุทธเจ้าเป็นยอดดังรักรักไม่มีเงื่อนไข ขงเทมาลจับดาบไล่ฟันอยู่พระริจ้าก็ยังรักอยู่ชีวิตของเราบางทีต้องต้องตรวจสอบต้องรู้ให้ทันมันถ้ารู้ตัวเองเราก็รู้คนอื่นเท่านั้นไม้เป็นไรถ้ารู้ตัวเองแล้วก็ตอบคนอื่นได้ความจริงมันเป็นอันเดียวศาสตร์ศสนาก็เป็นอันเดียวถ้าศึกษาจริงๆแล้ว ในหลายศาสตร์นาโดยชีวิตของเราเนี่ยเป็นตัวศาสตร์นาที่จบตรงนี้นะแต่ถ้าพูดถึงชีวิตของเราเนี่ยไม่ใช่ธาตภาษาไม่ใช่ละทิไม่ใช่ในกายอย่างของพ่อกรรอาจารย์สันติกโรนอันเดียวกันถ้าพูดถึงชีวิตก็ไม่ใช่ญี่ปุ่นไม่ใช่สหรัฐอเมริกาไม่ใช่อะไรบางคาเท บางปะเทศนี่ไท ย, ยนี่สหรัฐญี่ปุ่นนั่นบางปะเทศอ่อ่ไม่ใช่อ่อันเดียวกันทีวิธีเดียวกอันเดียวกันเหมือนเดียวกันความโกรธก็เหมือนกันถ้าลงพโกรธอาจารย์ทันติถ้าเรโกรธอันเดียวกันอะไรต้งหลงควาทุกควร้อนของมหนาวเจ็บท้องโปวดหัวเหมือนกัน แต่การที่ไม่โกรธตอนเดียวกันไม่ทุกตอนเดียวกันตัวรู้สึกตัวเนี่ยทาให้เป็นอันเดียวกันความรู้สึกตัวอันเดียวกันกายก็อันเดียวกั น, น, กนใจนก็อันเดียวกันเป็นรูปกระทับเป็นนามาทํารูปก็ทุกนามมันทุกตอนเดียวกันสมมุติบรรดัดอันเดียวกันถ้าจะสมมุติว่าดีก็คือสมมุติ บัญญัติเาชอบไม่ชอบก็คือสมมุติเลื้อถอนสมมุติได้มีสติปัจฐานอย่างแจมแจ้งจนเกิดสินเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมาศินก่อนเดียวกันสมาธิก่อนเดียวกันปัญญาก่อนเดียวกันศินก็คือภาวะรกปกติไม่ปรุงสมาธิก็ตั้งมัน่นตั้งอยู่มัน่นอันเดียวเฉพาะเรื่อง ปัญญากรลูดรอกลอบลูดในกองสังขารคือกายกับใจของเรากายจะสังขารจิต่สังขารลูดอยู่ตรงนี้แต่ลูดชีวิตของเราหมดสิ้นแล้วเออเอาละบัดนี้ก็ทำอะไรก็ถูกเลยเฉพาะเรื่องเหมาะแก่การงานเหมาะแก่หน้าที่ เหมาะแก่การใช้ชีวิตตัะวนี้ความคิดความเมตตากรุณาเกิดขึ้นมาสินสมาธิปัญญาเกิดขึ้นมาเป็นมากเป็นผลเป็นคุณภาพของชีวิตเป็นมาตรฐานของชีวิตสุดยอดองมาตรฐานรลบ ทุกอย่างก็ถึงที่จุดหมายปลายทางเหมือนกันเช่นบ้านใหม่สร้างสร้าดังนี้มันก็สุดยอดแบบนี้หละนี่มันก็ทาแบบนี้เกินนี้ไปก็อีกแบบหนึ่งชีวิตของเราก็เช่นกันถ้ายังหลมลูกคุกคานอยู่มาละต้องศึกษาต้องปฏิบั ต, ติเป็นวันของเราแล้ววันนี้นะ วันนี้แหลเป็นวันของชีวิตเราที่เราจะต้องจัดสรรกับมันอย่างไรรู้ว่าวันนี่หละคือพรุ่งนี้วันนี้แหละคือ